ไม่อยู uhm, stacks, ่ให mm <h. S 1> ้เขาเขาต่อบังคับกดขี Owner, ่กลมแขงไม่อยู่นั่นมีแต่ตัวกิเลสตั้งนั้นแหละถูกยาจนจะเอาอย่างได้มาทำแบบพระไมได้ให้ราชามหาจะจัดสันโดบบ้านเมืองล่มจมยาจนสันโดบมักน้อยกว่าจน ตอนั้นกิเลสตัวใดมันดีดดพอที่จะก็ะตุ้นเสริมความรู้สึกให้สร้างความดีสร้างฐ า, า, านะหาเงินหาทองสิ่งอื่นอื่เรื่องมันไว้พระองค์ไหนไปสอนตนให้ละกิเลสพระองค์นั่นสอนศาสนาผิอแปลกมากสอนศาสนาผิด พ, พระโพธิสัตว์สอนให้ดูกิเลสดูตัวให้มันรู้คุณรู้โทดของกิเลส ในมาลูด้เราจะใช้มันในท า, ทางไหนให้เกิดประโยชนย์โดยโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใครจะใช้เกเรให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบกระเทือนใครอยู่ศีลาดิย่ะใจไหลอย่าใจข่มเหงรังแกไปฆ่าไปกินเข้ า, ม, ขามาหาเอาด้วยน้ำพัก น, าาน้ำแรงอย่าใจอธินาทานอย่าใจอะไรให้เอาศีลห้าข้อเนีย่ย เปิดเครื่องเส้นขนานกันเอาไว้หนุนสาทั้งหลายเป็นลูกไปขอบกันอยากรวยคอยพ่อแม่แต่ทำแล้วมันผิดสีพออตาเม่ผมไม่พาาจารย์ต้องขอเอากันดีๆแหล่ปลั่มอยากรวยะได้โกหกงงพบลมเอาเอาสีนผ้าเนี่ยมาเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย ปัญหาความประเยอทะยานมันจะขี้เส้นใจให้ทะเยอทะยานกระโดดโลดเป็นแสวงหายังไงก็สงแต่วา่าอย่าให้ปันนหาเนี่ยมันเขา oui ้าสิงใจไปกระโดดขี่คอคนโน้มหัวคนนี่เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองอันนั้นมันผิดสิสมัยที่เป็นนักเรียนเรียนนักทำเต็ม ปัญหาภาษาอยากข้าวอยากน้ำอยากได้สวรรค์อยากไล้นิพพานอยากได้บุญจัดเป็นจัดเป็นปัหาหรือไม่ทีนในท่านเฉลยปัญหาท่านบอกว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานไม่เป็นปัญหาแต่มารู้สึกว่าสองฝั่ความรู้สึกอู่แต่เมื่อตอบจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าเป็นปัญหาก็ื่อจะได้คะแนนเขา แต่เดินเนื man, ้อหาแล้วไม่เห็นด้วยอยากข้าวอยากน้ำเป็นความต้องการของร่างกายเราอาจจะไม่ว่าตันหาก็ไรแต่ถ้าอยากใด้มุนอยากได้สวรรค์อยากใดนิพพานนี่ตันหาร้อยเปอเซ็นเลยแปลได้ครับสมบัติอยากได้อะไรโมเนต์ก็ตันหาร้อยเปอเซ็นอยากสาเร็จพันธุกรรก็ตันหาร้อยเปอเซ็น แ้่มาตอบจะไปตอบจากเลขเขาไม่ให้คะแนนก็ให้สูงก็ต้องตอบจอากที่เขาว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยเราต้องพยายามทําความเข้าใจให้ดีเติมอย่างขันติความอดทนขันติความอดทนต่อท่านเต็มท่านบอกว่าทนต่อหนาวทนต่อร้อนทนต่อความเจ็บความไข้ทนต่อทุกขเวทนา ซุกคเวธนาเจ็บไข่หนาวร้อนไม่ทนมันก็จําใจต้องทนอยู่ใต้ฟ้าใต้ดวงอาทิตย์และมันม า, มากอากาศมันร้อนจะไปซุกหัวอยู่ที่ไหนถ้ไม่ทนเวลามันหนาะจัดให้ที่สุกอยู่ที่ไหนถ้าไม่ท น, เ ว, น, น, ท น, ทนเวลาเจ็บเวลาป่วยจะเนี้ไม่อยู่ไหนมันเจ็บอยูที่กายของเรานี่ไม่ทนมันก็จําใจต้องทนเป็นภาระจํำยบ ทานอดทนอะไรฐานะวัดความอดทนทนต่อความที่เสียทนต่อความที่ขา น, านอดทนนั่งสมาธิภาวนาอดทนทำงานทําการอดทนแสวงหาทรัพย์สมบัติหาได้มาแล้วอดทนต่อการอับจ่ายแสงเสียแบ่งไว้ใชใจ่ายให้พอดีพองามใครยังไม่มีเงินด้านจะไปคิดหารถจนมานั่ง พยายามเก็บพร้อมรอมบิดเอาเงินเดือนที่หาได้นี่แบงไปปากธนาคารเอาไว้สมมติว่าเดือนนี้มันเหลือพันหนึ่งหรือสองพันใมันนึกจะได้ด้วยจะได้นี่อดทนเอาไว้จะเพิ่มเอาเอาสองพันด้วยฝากธนาคารด้วยก่อนอดอดไว้ก่อนเดือนที่สองฝากอีกสองพันด้วยด้วยสามฝากอีกสองพันเป็นปีกัน สิบสองคลองเป็นยี่สิบสีได้สอง0มื่นสี่พันแต่ทีละสองมืนสี่พันเราทำราชการก่อนจะเกษียณอายุได้ทุกปีทีสุกสี่เงินมันจะพอฟูนยังไงละสองหมื่นสี่พันี่พอสิ้นปีมาได้ดอกมันเพิ่อีกสองพันสิบคือท่านเอไอ้ออทอนอย่างนี้ต่างหากครับ อยากมีรถยนต์นั่งเอ้าแต่ดาวเข้ามาพอมาแล้วต้องเจ็บ้นผนตรงหมดสามสิบหกเดือนสามปีพอผ่อนตรงหมดรถยนต์ทางพอดีเอ้าลองไปคิดๆดูได้คนที่จะต้องใช้รถจนต์จตัดเครื่องดีนะครับ มันต้องนับเงินเป็นหมื่นสองหมื่นสามมื่นคนที่มีธุรกิจไม่ผู่ควรแต่การที่จะมีรถจมนี่เอามากี่เล่นโกโกมันต้มีแต่รถสมือมันนั่นแหละต่อไปถึงลุงพ่อลุงพี่ทั้งหลายท่านแข่งขันกันเรื่องเครื่องขยายเสียงวัดไหนไม่มีเครื่องขยายเสียงน้อยหน้าเขาเดียวเรื่องกำลังแข่งขันกันเรื่องรถจนี่สมพานบ้านนอกโองหนึ่งอยู่ที่ อำเภอวาเลนจังหวัดอ well, ุบลไปซื Next, vre, e? ้อรถเก๋งอัะเพ่เขากําลังจะเอาไปแลกนัำการกินเนาะเอามาเดี๋ยวก่อสอบยาเดี๋ยวก่อสอบเงินทองหามาซื้อวัดอ่ามาสร้างวัดเอาไปซ่อมรถยนต์พดลงพนสุดท้ายชาวบ้านลําพานเข้าไร่ถึงจากวัดลงพอเมื่อก่อนี้แบมีคนตระหนกแลยก็จะื้อรถจนให้ไว้ อย่ามาคุดลุมฟังพระตายเด้อใครมาจะมันารา่รไม่เม่ด้รถนั่นเราก็ไม่ไปสิถ้าใครใคอะไรอะไรเารถมาลับส Mont ิเรื่องอะไรปัหาสิเลอาบปะเองี่ดูรนี้ท้ายต้งไล่ทัาสิสมาทับลงกอ อคนหนึ่งให้เงินมาจากกรุงเทพเจ็ดหมบาทใหมาสร้างกุฏิน้อยอีกคนหนึ่งให้มาสองหมืนให้สร้างกุฏิให้หลังหนึ่งหลวงพ่สร้างเสร็จให้สองหมื่นเซ็ตแต่ทำามกาลังเงินเงินสองหมนสร้างกุฏิหลังหนึ่งเอาไม้ไผ่มาตับปากไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหม ละจะดันในทางปฏิบัติท่านจึงมีนโยบายให้คิดาจรณาปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เจวันบินธบัต ท, ที่อยู่ที่อาศัยยาแค่โรคท่านให้คิดาจรณาว่าปัจจัยทั้งสี่เนี่ยเราจะเพิ่งพาอาศัยด้วยใจโอุปโภคบริโภคเพียงแค่ให้มีทีฤทธิสุ เราจะไม่บริโภคเพื่อหาความสบายในสิ่งเหล่านี้เราบริโภคปัจจัยดีมีกำลังกายกำลังใจแล้วเราจะบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมะเพื่อเอ า, าคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิต ใ, ใ, ใจใจเพื่อเป็นการสือต่ตออายุพระพุทธศาสนาให้ทรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่าในพิจาณาอย่างนี้ เพือไม่ให้ติดทำไมก่อนนี่ครูบาอาจารย์ทั้งไหลาถ้าใครไปดูที่ไหนทั้งสามทีท่านไปไล่ท่านไม่ให้อยู่แต่อยู่ไปแล้วติดที่ติดจาติิดโจมติดอสิเลศสลากไปเลยว่าไปติดแล้วมันก็ใครไปติดสิ่งเหล่านี่มันก็กลายเป็นบุรุษโม จะตาโรตาตุริสังขันติลาภัสการะย่อมฆ่าบนหาปัญญาไม่ได้มีอะไรมันก็ฆ่าหัวใจเรามีเงินมันติดเงนมีทองมันติดทองมีวัดติดวัดมีกุติดติดกติมีโบสถ์ลการตะเรียนกติมีทรัพย์สมบัติอันใดก็ติดเมื่อมันติดแล้วเราก็จนอยู่ในกองสมบัติอันนั้น ตายเราไปเป็นเปรตมาหลายปีมาแล้วไปทอดสตินแห่งหนึ่งไปถึงประมาณตีทุ่มเมพอไปแล้วไปทำสมาธิพอนอนลงไปก็กำห น, นดเิ็ดทำสมาธิพอนอนหลับแล้วมองเห็นกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิโบราณเก่าแก่กาลังจะทางแหลไม่ทางแหลแล้วมีพระองค์หนึ่งสูงสูงขนาด ความสูงงแกเกนี่ยลอดมองลอดใ้ช่องลมบ้านโบราณก็มีช่องลมกันอยู่นี่พอบังมาแล้วตะกอนมาบอกว่าทา่านคงมีบุญได่ก็เริ่หน้าโปรัดแม่ตาช่วยเหลือด้วยผมเระากูสีเป็นเปลดอกยูนน่นี่นานแล้วอ้าเราคูสีที่ไหนน้อมาเป็นเปลดักอยู่นี่ พอเดินชามาพอสว่างก็เดินไปหาดูกุฏินั้นน่ะไปแล้วเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นของประจําตัวก็โถนการ้ามก็ยังมีอยู่แต่ไอ้ขมเหล้ามติดหมอแมมไปมั้งเตียงนอนก็ยังมีมงกุยังตางอยู่แต่ขาดกระลุ่มกระลิงยังเหลือเศษติดเต้ามุงกุฎอะไรที่พิจารนาดูอืม ทานองคนี้คงจนติดสิ่งของเหล่านี้ใครมาแตะต้องไม่ได้ละมั้งของดีๆก็มีอยู่ปล่อยว่าจนปูพังมดอันนี้อยู่บ้านชีพทนจังหวัดอุบลได้เนี่ยคุณพระส่วนชามาพวกชาบ้านผูกเท่าผูกแฉกเขาก็ามาจังหัดก็ถามว่าพระซื่อพระครูศรีดีๆมีไหมเขาบอกว่ามีเป็นชาที่มาจากเพียงกันมาเป็นสมพานอยู่ที่ แต่พันองค์เนี่ตายแล้วกุศล ส, สมพานเนี่ยใครแตะต้องไม่ได้หนงังสือใบลานเนี่ยใครได้เอามาอา่านไม่เอาไปเคลื่อนส่งกเคลื่อนไปพวงพระแล้วเนี่นยไปนอนรวมกันถ้าใครเอาของออกจากกุศลหลังนั่นไปแล้วก็เกิดข้าวคุศลนี่จะไปพวงไปเดึงแข้งเดินขาไปหรอกตอลอดเคลืนยันต์นี่สมพานเป็นสิ่ง แล้วแกนั่นหลวงพ่อจึงไม่อยากเป็นสมภารนิสตายเป็นเ n รตที่นี่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านกลัวท่านเป็นเปรตท่านเป็นไม่เป็นสมภารหลวงปู่แหวนก็ให้โหนเป็นสมภารหลวงปู่าวก็ให้อายารเจงเป็นสมภาร่าเป็นสมภารติตายแอแมวอนกของกูอันนี้กของกู หลูกหลานโตมาผมละหมากรากไม้ในวัดมักฆามักการญาติโยมต่อเป็นสมพานธ์ญาติโยมเราก็เป็นสมพานด้วยลูกหลานเราก็เป็นสมพานด้วยลูกหลานพวกเราอยากได้อะไรค้นให้ค้นให้ พ, หพอเสร็จแล้วเป็นเศษทั้งสมพานเป็นเศษทั้งลูกหลานของสมพันธ์พอเงินยาเนัอ้อ วารุตบัตของสงแบ่งออกเป็นสองประเภทของพโลกพันธ์กับพระหกพันธ์ของพระหกพันธ์เป็นของแจกกันได้พระบงเีวานอาหารบินฑบัตเปียแยกนี้เป็นของคระโลกพันธ์ผาชนะที่ใส่น้ำในอมหนึ่งเป็นของพระโลกพันธ์ผาเขาสังขปเทมาพระแจกกันไม่ได้ ไปส่วนออของสงฆ์ไปแจกกันแล้วก็ตายไปเป็นสิ่งเป็นเจตว่ารของเขาถวายมาเป็นการส่วนตัวของอันใดเล่เขาว่าสังคาาัสสาโอโรชยามะเป็นทรงเป็นตปโตม่อแห่แต่โปอะไรต่างๆที่เขาถวายมานี่งเป็นของสงฆ์มดแจกกันไม่ได้คือเด็กของอยู่ในวัดในว่าผลหมากราดไม้เป็นของสงฆ์ แต่ของรงนี้เราก็ได้บางอย่างเราก็แจกกันได้โดยมติของรงแต่ของมีค่าเช่นตัพต์ินเงินทองเงินของวัดทองของวัดในเวลาเกิดเขา้าจะหายากมากแท่งเกิด ค, ความอดอยากพระรงไม่มีอยู่มีทันแทนให้พิจารณาเอาของมีค่าเหล่านี้ประชุมสงเอาไปจำหน่ายเพื่อเข้าสารมะโหสถันจินได้ มีความจำเป็นแต่ใครจะได้สวยโอกาสนี้พอถวายของสงฆมาก็ออเข้าอกตัวเองหมดมาถ้าญาติผู้สงฆ์นี่ยังอยากจมมาถวายสังฆทานเนี่ยเอในีวาจะว่าให้้ังแล้วไม่ได้พูกทัศน์ที่ว่าอิปาเนิมายังกันเตแล้วก็ ตาณิสัตริวารานิทิคุสังคตาโอโนุเชียมะสาสโนปันเตทิคุสังโฆอันนี้เป็นคํากล่าวประกาศว่าถวายให้เกิดสงฆ์ข้าวปลาอาหารทั้งนั้นในเมื่อกล่าวคาถวายอย่างนี้เป็นของสงฆ์ี้วยถ้าไม่ทําอัปะโร ก, กนกรรมจะประกาศแตกกัน ยัดแยวโัโถสรงกอจานาตุอาญปัตมาพาตเทรัตตาปุนาติโดยก่อนสงฆ์ทั้งหลายปัด น, นี้ัทายกคาิกาถวายสังฆทานมาเจ้าพเจ้าสมมติตัวเป็นพระสุเทพสวดแจกของเหล่านี้ให้ผู้ควรแด่พระภิกษุตั้งเจ้าเทระตลอดสามนเนมจงกระทั้งคารุหัดให้เขาได้บริโภคอย่างสบายเราคนเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยไหม แต่เห็นตัวสาธุกุศลสาธุขึ้นมาแล้วฉันได้พระกอฉันได้โยมกอดกินดี่ไมเป็นบาปเป็นตรรมถ้าในอั ป, ปโล ก, กนากรรมอย่างนั้นเป็นบาปพระก็เป็นบาปโยมก็เป็นบาปเราจ ะ, จะนั่นจึงมีมีวิธีกรรมอั ป, ปโลกสิ่งของเหล่านั้นเป็นคากล่าวประกาศว่าจะแจกฉันกินนี่ใส่ฉันสมควรไหมหมายความว่าอย่างนั้น กินถ้าสงสารโตขึ้นมาป้อมกันก็แสดงว่าแจกกันกินได้แอ่เลือเล่อตัวเสร็จ เ, เดินไ้ก็อย่าโจมก็รับผ่านกันได้สบายไม่จนบาปกจกนกรรมแล้ว่อนนี้หน่อมองหน่อไม้มันมีอยู่ในวัดวัดที่มันมีพร้อมผัหญ้าหน่อไม้หญ้านา้งพืชไม้ไผ่ เดยหลวงพ่อครัวว่าลูกหลานชาวบ้านจะพากันเป็นบาปเป็นกรรมพอพากันเป็ น, นกรรมเป็นาหารือกันลงมาเจอกันอนุญาตเอาไว้ของทั้งหลายเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดมงคือต้นไม้ ย, ยแก่แกถือตักราถือมีดมาคอยตัด้าไม่ทำอย่างนั้นอยากจมก็เป็นบาปเป็นกรรม ของสองนี่เรา ท, ทําพ่ตีกรรมเพื่อไม่ให้ใครเป็นบาปตึมตำถ้าสงคณะใดห่วงแหนสมบัติทั้งหลายเหล่านี้สงเหล่านั้นไม่ใช่เนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบาปแต่หวงจนกระทั่งหน่ไม้เสริมตองหญ้านางพัดสี่เล็กพัดกระเดาอีกศะหน่อยเนี่ยคอยดูกระเดาอัศบากําลังสุดมึงต้องประกาศอนุญาตเอาไว้อีกไม่งั้นเป็นบาปตกรรำกันทั้งบ้านทั้งเมือง หากใครมาเป็นหลวงพ่อหลวงตาเป็นต้มพันธ์ขี่เหนียวขี่ห่วงแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมให้ญาติให้โยมทุกวันบางญาติโยมมาอยู่ในวัดในวามาจําศีลจำธรรมทําอะไรกิจอะไรรับทานอะไรสร้างสงฆ์อนุญาตไว้หมดแล้วใครจะเอาอะไรก็ได้ถ้ามาช่วยกันขนช่วยทำนี่จะขายหมดแล้วส บ, สบายใจสบายใจสี่เปียร์ลำตา ถ้าลงมาดั่งบนตลาดเห็นเด็กชาวบ้านซื้อผาดซื้อกัอออบลามังคนละอันละอันแล้วมันทักไม่พอใจว่าเด็กผกูิมเป็นเจบ้บ ข, ข, ข, ข, ของมาจมาใช้โดยเสรีจังวัดเพื่อไปเก็บมาแล้วเออขางหมันทับเวลาไม่มีขอทางพ่อแม่มาใักเม่อก่อนนี้เอาเครื่องตั้มมาติดเครื่องตั้มลามาติติดตอนเย็นตื่นข้ามาหาย สายไฟเด็ถ <com> ึงตอนเย็นเสิร์้าวมาเปิดไฟนิดใครมัเอาเครื่องตั้มมาติดที่หลังติดเครื่องขยายเสียงประกาศเลยเอ้าข่าวมาติดอีกเครื่องหนึ่งแล้วราคาสูงกว่าเก่าเครื่องนั้นมัาราคาพันกว่าเครื่องนี้ราคาสามพันใครจะได้มาเอาด้วยข่าไม่เดือดล้อนหลอกเองข่าไปแล้วค่าไปขอทังพ่อแม่จะมาซื้ออีกพอหลังเย็นนั่งเงียบไม่มีใครมาเอาเลย มันกลัวจะไปรนลบผลจากพ่อ <c oughs> นะต่อสู้กับเหตุการณงหลายเหล่านี่มาตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่นี่ความมันจะมีความสงบได้อพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่คุมลดไปคุมน้องแตกต่างนี้อยากเชื่อมใจด้วยจะเล่าประวัติศาสให้ฟังเมื <c oughs> ่อก่อนนี่เด็กลรกจําน้อยแถวเนี่มันเข้ามาวัดมันจะทําอะไรมันก็ทำํำมันก็เกิดมักขามมาจากโนดมันวิ่งเข้าตัว น้ำปูน้าําปลามีอะไรมันเอา้าอย่างเต็มีเลยลงพอ่อเสด็จ่ายแม่แต่ข้าวปลาหาันเด็กน้อยนักเรียน ม, มันเจ็บน้อยก็กลับมาเตี้ยมกินกั น, มนหมดทีนีโยบาวันนึ่มีเด็กน้คนหนึ่งมาตัดใตอยู่ทางด้านนี้ยีนี้คูบาองค์หนึ่งก็บอกว่าไปถามมันดูซื่อเด็ ก, กนขาได้มาตัดใตไพมันขอไปหรือเปล่าหลวงพ่อก็บอกว่ายา มันไม่ไดเอารถชนมาผลเราเรื่องเลกเสียวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ถีือก้าว อ, อ, องั้นก็คิดว่ามานะไม่ยอมฟังเสียงไล่เด็กมันไปเด็กมันตัวต้ามันก็ไปพอไปก็ถามคุณคุณมาตัดใต้ไทยเนี่ยคุณขอบลาบ้ า, างหรือเปล่าไม่ขอสียอย่างจะมีอะไรเกดขึ้นวะเอาผมโกัพุทธที่นี่แล้วก็มาห้นโพจากนี้ เด็กมันตัวจะเกิดเรื่องกนนีมามาบอกพระเอา้าพระผมยังไม่ยอมอีกเรากบพระราษฎรนโตเมื่อกี้เราแบบล้านชายเรานี่แหละลูกชายลูกของลูกชายใ น, นวิชิตโอลัลวิทนักแรียนโตตาไยไปทางเฮ้ยนุแกมาตัดไม้ขอข้าวบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นหมอว่า ไปเรีพอดีลูกศิษย์พระองเนี้มาจากนครปฐมนะเป็นโตเหมือนกันจนเขาต่อยมาหน้าปู่ป่าทศพอเสร็จแล้วพอไปถึงไม่ความวิลาศอารมึ์ตบตัวพ่อให้เลยพอตบร้องให้ดิงกันอาบัเราคนเดียวกับเรื่องมันจะลงเอ่ยกัเญียนแถ่นั้นอีกสักพักหนึ่งพ่อมันแม่มันอีนอกมันคือนีดเจ้ากันไกลแล้วเดิ มันพาดพาย อ, อยู่ที่ประตูใจปุกหลวงพ่อบอกว่าโยโนมีอะไรมาพูดกันดีๆรือจะไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ยอมฟังสิยงต้นคนนายสังวานนยกมือไหว้มันมันต้องยอมล่าถอยไปวันนั้นพอดีสันติสันเสร็จหลวงพ่อก็อไปที่วัด ส, สุทัศ ท, ท่านุค็นธรรมวัลลีท่านเรียกให้ไปพบ แต่ปลุกฟ้างานกันกว่าจะเสร็จก็้อง6โมงเยน็นพ่อ6โมงเย็นกลับมาเแตกชายนมนมชายจักกันในโดนเต็มวัดเต็มว่าสม็นหมดประมาณ 4-50 คนร้องเออะโวยวายเอามันโหดมันอะไ้ว่ากันต่ตามภาษาของอัญชาาันขนาดลวงพ่อเดินมาเนี่ยมันไม่ยอมหลุดหลงพ่อต้อหลดหรือวมันข้อตับ พเข้าไปนั่งพอไปนั่งในกติแล้วก็ลมกันเข้ไปหัวหน้ามันก็บอกว่าผมอยากจะรู้ว่าใครผิดใครผิดขอให้หลวงพ่อพิจรารณาตัดสิทถ้าเด็กท้องของเด็กผมจะเหยียบมันได้เนี่ยถ้าท้องหลวงพ่อเปียกแล้วขอตัวแล้วก็จะขอกระต่แล้วกระชกันหลวงพ่อเอานี้ดีกว่า เนตีห้ามาฟังว่าใสรติดไครผกเดี๋ยวถ้าไม่ตัดสินก็ต่างคนต่างมีอารมณ์คงน 5, เนตีห้าตลอดพอเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเอาขอแก่กลับไปบ้านทั้งหมดจะมาทำวุ่นวายมันแบบนี้ถ้าแปลว่าทําอะไรเกินเลยรถไฟมันจะร้อนถึงเจา้าหน้าสืบตารวจตารวจก็จะลําบากปรเดียวจะหาว่าหลวงพอ่อังแกลูกหลานกลับไปซะนั่นก็กลับไปโดยดี เอกสักหน่อยนึงเด็กกองตังคนเนีตตัวน้อยๆหัวแกเด็กวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าสอดแหนมพอไม่รู้ว่าลงพ่อบ้างก็ผู้ใหญ่มาถามลงพ่อมีอะไรเกิดขึ้นมีเล็กน่อยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจัอายุไม่บอกกันมันไปถานเนตัวน้อยๆน้อยๆน้อยๆมีอะไรเกิดขึ้น ผูยคนบ้านนี้มันจะมาลงตีพระตีเจ้าพระลงปุตติไม่ได้เลยเออไปรู้เลยกักเจนน้อยไอ้แดงก็หายไปเือเมื่อพอติดฆ่ามาตีห้าไอ้ฮัวด่านี่เอาขันดอกไม้มาขอสมาหลวงพ่อเอามีอมาประกันความปลอดภัยด้วยเออก็เลยถามว่าเราเข้าใจดีแล้วหรือว่าใครติดใครถูก ครับผมเป็นภพก่อนที่จะรู้สึกว่าตัวมีความผิดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นแบบลุดนอกของหลวงพ่อมันเป็นลุ่มล้อมบ้านผมสี่ห้าสิบคนมีทั้งปืมีทั้งมีทั้งไม้มนทำไมต้อะขกอสมาโทษหลวงพ่อแล้วี่จะมาเหยียดให้มันแหลกทั้งบ้านเนี้ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือพอผมนี่สงบลงไป โด่นเสียงันทางวัดสุทธาหาวัดจบเป็นพระองค์คคคงสาจารนเป็นหัวหน้าอันธพาเอ้าภายหลังก็ได้เน่ น, นันถ้าพันสาวน้องจะบกมาบวชอีกพอมาบวชก็มาทะเลาะ ก, กับพระพระว่ากล่าวกับเสดยจงไงมันไม่ยอมเชื่อฟังพระบางองค์กับมือไหวตกอากพอเสร็จแล้วก็ไปเอาอเสื้ อ, าอมาไปก็ กลับมาก็นั่งรถเมล์มากับเพื่อนมันคนหนึ่งอีกเพื่อนในส่วนหนึ่งนั่นไปเหมารถสองแถวบรรทุกกันมาจะมาไล่ปีติเรา <c oughs> ไอเด็กตัวน้นอยอลูกของจ่างคนนี่อยู่บนรถไปมันได้ยินเข้าพอรถจอดทับกระโดดพุกตื่นกันพ่อเขาจะมาตีพระเราเขาจะมาฆ่าพระเราเลืองเลืออดพอกองชจางคนแต่งตัว ม, มาถึงมวัดแล้วไอ้พวกนั้นก็นนขเข้า มาถึงก่อนก็ดีเคื่อไปบระติ๊แก็ไปกระเอาเงฟังเงฟังเอามันเอามันแหลไม่เลพระเลอตัทั้งนั้นอ่ะทีนีข้าก็ที่มาถึงแขขนาดนี้ไม่สมดิไม่ไอไม่ละแนงมีตะงตะปูด้วยคอยนั่นกเอามันแหลทั้งพะทั้งนไม่เหลือรคน พอกองตั้งกฎกระโดดโป๊ะือนตายพกก็จะเอาพวกมึงแหลกมองกันไม่เห็นมันเหลือหัวเอาโหดอหดเราไม่มีทางห่ีกเว้ึ้นมาถึงพระสุบนตลาดหลวงตาจำปีลุร้องเอะอะโวยวายโยุมันเคารบอาจารย์จำปีถ้าไม่ใช้อาจารย์จำปีมาอ้ามมันพวกหนีตายเออโซเลตของกองสั้งกฎ มันห่วงมันหวาวัดมันพระมันมเลนมันใครจะมาเยียดจ้มลังแกมไม่ได้เราฉะนั่นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่อยากจ ะ, จะให้พวกมันรู้ลาบากลงบนเสือไายลงเกก็เลยกลา ย, ลายเป็นหัวหน้าอันธพาล พอเราเจอเรื่องขึ้นมาอย่างนี้คนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็เข้ากันได้ดีเออมันทะเลาะกันก่อนไม่ค่อยดีกันเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนได้เวลามันทําอะไรไม่ดีไม่งามว่ากล่าวตักเตือน ม, มันก็ได้แต่ก่อนนี้บา ร, รมีของหลวงพ่อยังไม่กว้างขวางสวัสดมันลบบอกไปฟังทั้งคนในพวกมึงอยู่เฉยเฉยไม่มีงาน ม, มีการทําม่หาเลีบมาคนละเล่นมาทางตาให้ตุนฟ้าจะมือแต่ ตาเตียนเลือดเลยเดี๋ยวเลือดเข้าไปถึงตาหมงตาหันเลือด ไ, ได้เดือดร้อนควบเราจะนั้น เ, เด็กๆที่มันมาขอกินข้าวคนบาสเนี่ยเด็กพวกนี้ใครจะไปตำหนีจะไปว่ามันจะไปดุมันถ่าเห็นมันไม่ไดีไม่น่านก็ว่าเราสังสอนตักเตือนมัน ข้าวบาตมันซึมเขาเ้าไปในหัวจิตหัวใจมันแล้วมันทำให้มันรับวัดรับพระสงฆ์